หาสมุทะเลแต่ความจริงในชั้นนี้มันก็จริงอยู่อย่างนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเป็นธรรมละเอียดมากยากที่จะมีผู้พิจารณานอกจากผู้พิจารณาเพื่อคนทุกข์เท่านั้นจึงจะพิจารณานอกจากผู้จะเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์นี้ยิ่ยงเท่านั้นจึงจะมองเห็นเหตุไนปัญหาของเราจึงมีมากปัญหาของเราที่มีมากอยู่ก็เพราะเหตุว่าเรายังถือว่ารัฐที่อื่นๆคําสอนดีกว่าพระพุทธศาสนาถือว่าพระพุทธศาสนาคําสอนบกพร่อง ในเทวดาและมนุษย์สอนเทวดามนุษย์สอนมนุษย์ก็บกพร่องสอนเทวดาก็บกพร่องอะไรอะไรแม่ทันเขาไอ้ที่แท้พระพุทธศาสนาเนื้อไปหมดแล้วถ้าเรามีความเห็นดิงลงไปว่าพระพุธศาสนาเนื้อโลกอยู่ทุกยุทุกสมัยั้ตลอดทั้งคำสอนด้วยทุกด้านทุกมุมด้วยจริงใ ด, ดในใจโลกประเทศจะมาเท่าเทียมถึงคุณพระพุพะทธรรมประสงค์ที่ทรงพระคุณไม่มีเลถ้าเราเห็นอย่างนั้น การถือพระพุทธพระธรรมพระสงค์เราก็ลงสนิทลงสนิทไม่ต้องสงสัยที่เราสงสัยอยู่ก็เพราะเราถือว่ายังไม่เข้าทันเทียมถึงเขายังราชสมัยอยู่นี่แหลปัญหามันก็มากเราถือว่าพระพุทธศาสนาราชสมัยปัญหามันก็มากเราถือว่าพระพุทธศาสนาทันสมัยหมดปัญหาของเราก็ไม่มากเราก็ตั้งหน้าปฏิบัติเท่านั้นเราก็เริ่มใสอย่างดิ่งลงไปเรื่องระเบิดปรมาณูเขาทําลายแตกเนอแผ่ดินน้ำ ท, ท่วมฉันสี่หมื่นโ ที่ร่องสายเนี่ยพุพธทธรรมประสงค์เลิศ ก, กว่านั้นใครมาทําก็มาแตกเหตุฉะนั้นพูดถึงรพรุพธทธธรรมประสงค์นนนนเนี่ยเนี่ยแล้วพระอราหันจะมีกี่จําพวกขตาเพระพุทธเจ้าจะมีกี่จัมพวกขตาว่ า, า, าสวดสอนบุคคลพูดถึงพุพธทธธรรมประสงค์ลงดิ่งแล้วให้เขาไปซือรัตทีอื่นเขาก็ไม่ไปเหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเขารบธรรมพระบรมศาคาจึงเขารบธรรม บ้านเมืองของเรากข้ามือกันการปกครองบ้านก็ปกครองเมืองพวกครองวัดของเราเหมือนกันตลอดทั้งประเทศชาติหรือโลกถ้านนี้จากคํำสอนพุทธศาสนาแพระอนุโมทนมากเนอนักถ้าไม่เอาพระพุทธศาสนาเป็นดิ่งต่างคนก็ต่างวางแผนลงไม่มองไม่มองดูดิ่งของพุทธศาสนาไปไม่รอดเนอะปกครองบ้านเมืองเรากข้ามือกันในระหว่างบ้านของเรากข้ามือกันในรหว่างครอบครัวเรากข้ามือกัน ร่างคามคิดก็สอนหมดแล้วรหว่างความดเนียก็สอนหมดแล้วราเนียความคก็สอนหมดแล้วระหว่างบุตรกับพี่大妈านก็สอนแล้วระหว่างพิดาม大妈บุตรก็สอนแล้วระหว่างบ่าวไพก็สอนแล้วในหว่างนิสชก็สอนแล้วในหว่างครอบครัวก็สอนแล้วระหว่างเพื่อนก็สอนแล้วระหว่างเพื่อนท่วโลกก็สอนแล้วพวกเรามาขากเลสอนหมดในสังคมไหนก็สอนหมด วัสันตาเป็นผู้รู้จักประจตนและกิริยาที่บ อ, อ, อกเพต่อตองตนนั้นว่าหมูเนี่ยเมื่อเข้าปะหาจะต้องทำกิริยาอย่างนี้และจะตพูดอย่างนี้เป็นต้นทุกคณะโลกประลัดตาเป็ผู้เลือกหยุดคนว่าคนนี้เป็นคนดีคนทพคนนี้เป็นคนไม่ดีคนพเป็นต้นบุรุษราษฎราสมมติเม่อวที่ีรัเลยนะด้านเท่าไหร่พระบรมสารารันม์มดคุณนวุฒิ วัยุวุชิคุณวัตถวายุวุตถุก็มีในพระพุทธศาสนาอภิมาโนวัตถุคุณพ่อพระพุทธเจ้ามันมีประมาอภิมาโนธรรมคุณของพระธรรมมันมีประมาอภิมาโนทรรมโภคคุณของพระอริยสงฆ์มันมีอภมเมื่อมีคุณไม่มีประมาก็เรียกว่าสั่งสอนไม่มีประมานั่นถ้าไม่สั่งสอนสอนไม่มีประมากวักขวางเกินไม่มีฐานานใจที่จะสั่งสอน ใหเรียบร้อยมันพระพุทธศาสนาดอกสร้างมาเรื่องมาตอนั้นสร้างมาเรื่องมาตอนนี้คนนั้นสร้างมาตอนนั้นคนนี้สร้ามาตอนนี้ถ้ารู้วัดไหนไปเราก็พลาดนนคำสอนของพุทธศาสนานะมีคำสอนเดียวมีศาสนาเดียวไม่ได้คัดแยกกันไม่ได้เปลี่ยนพลรวเลยเลยเห็นอะไรก็บอกเลยอย่างละอ่านผ่านอะไรผ่า ทำว่ประเทศไทยจึงมีวัดมากถ้าประเทศไทยไม่มีวัดมากจะให้ทีตัวไดมามีวัดมากเพราะประเทศไทยถือศักดิ์นคพระทำไมจึงมีพระมากแค่ก็เพราะมีมากถ้าประเทศไทยไม่มีมากจะให้เทศประเทศไหนมีนี่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาทาคนให้เป็นหมันแล้วเอา้าพระพุท ข, ของพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยมีกี่กี่กี่แสน ให้พวกนี้มันออกไปดูดูนบ้านข้ามันเอ๋ยเมี่ยข้ามันเอ๋ยไรนาข้ามันเอ๋ยมันก็ไม่พออีกล้วเนี่ยเหมือรถเกลือข้ามันเอ๋ยที่ดินถูกบ้านข้ามันเอ๋ยนั่นไม่พออีกแล้วลูกก็ไปทำก่อสองคนสามคนแต่ละคนละคนจึงจะทำมันหวานมันเอ๋ยเหนมันเอ๋ยเป็นมันอยู่ในตัวแล้วทาคนให้เป็นมันอยู่ในตัวแล้วพวกที่เขาถือว่าพุทธประทานระสงฆ์ถือสินห้าสินแปดอย่างนี้เขาก็ไม่ขอเขต แล้วเมันไม่ร่วงประเพนีของลูกของเมียของหัวขอนะวันพระวันโกนพอดีวันพระพอดีขึ้นเช็ดข้ามจัดข้มพอดีแล้วก็าไม่สงสิงกันในการมาลุกนะกนะักเพราะที่ไม่มีพพุทธศาสนาเนี่ยเอาสิพวกม า, า, า, า, าพวกบ้านทาให้ประมาทพพุทธศาสน า, าเจอประเทศไทยเราพกเปือยตายทำํำไมตํารวจถึงไม่ปราบสิประเทศไทยไม่สมชันอาจจะเป็นอ่างนั้นเปือยตายอย่างนั้นอย่างนี้ กูจับกาเกินน่าทั้งเว้ยแต่ความัี่เคยมีประเทศไทยของเรามีมีมาเขาจะดูถูกและไม่สมถก็ต้องรับผม เ, เรือกพี่ชือกูปาบ้าพี่จะไดอกนี่มันเป็นความคิดแต่ละคนแนะคนผู้เชี่ยวาญนะยังอยงอยังมีตัว เราก็เมตหนวดอยู่บนเทียด้วยถ้าพุทธศาสนาขึ้นหนาลงชาวพุทธเราจะอยู่ได้ดีเราก็เหมือนวัดมวยอยู่เช่นสัมกุฎไทรานไทยลูก้าพุทธธรรมสงฆ์พวกนั้นจะได้รับผลของกรรมบันจงอยู่ทั่วตันงหา ผลกองกรรงกงรรมที่ทำมาเองอยู่ทัวการงานก็ได้เบียนๆก็ทำสูงอยู่ผลกองกรรมจะตามกำลงอยู่ตัวการงานลกองก ร, รมันไมนเหมือนคดีดำคดีแดนในงในโรงในศาลเน อ, อะคดีดาในโรงคดีดำคดีแดงใ น, น, ในโรงในศาลมันหมดอา ย, ยุเป็นอันนั้นมันหมดอายุเป็น ตามไปจนถึงชาติเข้าสู่พระนิพพานนะอันนี้ละมันสคัญถ้ามันมีอันนี้มันก็ไม่สาคัญธรรมัญยาการผู้รู้จักเนฉันรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุสินี้เป็นเตุรูนญาการผูรู้จักรู้จกวาสิ่งนี้่เหตุันนี้สิ่งนี้ผลนี่เหตุอันนี้นี่ถ้าจัวดาบันในพระพุทธศาสนาต้องรู้จักเหตกผลรู้พระเจ้าโนในพระพุทธศาสนานับเป็นต้นพระพุทธศาสนา ประโยชน์ภายหน้าทบรมสารธนาขอสศรัทาสัพทาัึงข้อมโดยศัพทาคือเชื่อว่าธรรมีด้ยินธรรมเชื่อเป็นต้นศีลสัพพทาถึงข้อมโดยสิ่คือรักษาการราชาียเรโยการทักษะสัพพทาถึงข้อมโดยการบริจาคทางเป็นการเฉลี่ยสุขให้แอแก่ผู้อื่นปัญญาสัทาึงข้อมดยการยปัญญาด้จากบาปเประโยชน์นี้ประโยชน์ต้นประโนในในภาคในอนาคตจะชาทบรมสาเวลาขอสอนประโยชน์ในปัจจุบันขอสอน บุิฐานะธรมานเป็นความในความหม่ในการประกอบปีิเพื่อีวาชีวิตกรณีในการศึกษา่าเรียนกรณีในการสัตว์สละนาทมาะสมพอดีอารษรรมทานเป็ควมความรักษาเพื่อรักษากษสติอนทั้งมาได้ความมในการเลาิโดยรักษาางงานของตัวกาเกิดเสื่อไปดีกยานี้จะตาความผู้มีเรื่อมีน้ำทุกั่วถ้าในชีวิตตาคามเยี่ชีวิตในทางที่อบนะประโยชน์ในปัจจุบันเล่นเล่นเล่นเบอร์มันก็ชิบหายตาย นั่นนั่นแหเาคุกเ่าออกมาแหละถอนอุปทานถอนกันนะจะทาให้ว่าทำมา่ว่างในที่รัฐบาลงานดีจงแยกกิจออกจากทำจะแยกทำออกจากกิจจะแยกวัตถุภายนอกมีรคมีน้ำเขาแยกกันที่นั่นจะแยกแยกผู้รู้ออกจากผู้รู้ ก็ที่เพ่งอยู im, so ่ด้านน้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันถ้อย่างนั้นก็ไม่ชัดก็ไม่ต้นชี้ก็ไม่ใช่ยองทําคิดให้ว่ายองทําต่อให้ว่ายองทำกิจให้ว่าไม่แยกมั่นถือมันว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตเมื่อทำกิดให้ว่าเมื่ถือว่าปฏิวัติเราเราเป็นปจิบัติเรียกว่าทํำปจุบันิให้ว่าเมื่ทุลถือผู้รู้ว่าเป็นเราเราเป็นผู้รู้ในปัจจุบันเรียกว่าทําูรู้ให้ว่า วิญญาณปฏิสิทธิทันทีกมาในที่เกอะจี่เดียวตายในคณะนั่นก็เข้าสู่อนิพาติเสชาอนิพาต์มืออะไรปรากเรใดมันต้องทำให้ว่างท้านั้นแหะว่างจากทรับจากบุคคลเราจนเราขอเส้นดินเส้นน้ำเส้นไฟเส้นลมเสอะไรการอะรต่ออะไรก็ตามขอในอรตามก็ต้องลงถึงคิดว่าผูรู้ว่า กงพลรู้จิตรู้จิตรู้ถ้าทำคันอาจนเป็นกิตถ้าทำคันอาจิตเป็นตนมันก็ไม่ว่าถ้าสําคัญว่าจนเป็นเวทนาถ้าทาคัญว่าเวทนาเป็นตนเวทนาก็ไม่ว่าก็วางเ่เวทนาไม่ได้ก็ต้องงับเวทนาถ้าทำคันเวทนาทุกทุกเวกขาเป็นตนหนูตนเป็นเวทนาทุกทุกอุเวกขาเวทนาก็วางไม่ได้เพราะมีผู้กข์ไปยึดถืออยู่นั่งรู้กันวันกัน สำคัญเราเป็นผู้รู้สำคัเราผููเป็นจนในปัจจบันเมื่อนสำคัญเราผู้รู้เป็นจนในปัจจุบันใช่ไหมจะไม่ใช่ในอดีตอนาคตอเราอันอื่นก็เหมือนกันแคัญเราอนเป็นเวทนาเวทนาเป็นชนมันก็วางเวทนาไม่ได้มันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยนะเนาะเนาะเนาะถ้าสำคัญเราเรานั่งเป็นเราเราเราเป็นผู้นั่ง แล้วก็ข้ามนั่งไม่ได้เหมือนกันนั่นถ้ามัาสคัญว่าเราเป็นผู้นอนนอนแต่เราจริงจริงยังกังกันเก่ยไม่ได้คลายมาออกแล้วก็ข้ามนอนไม่ได้เหมือนกันยืนเดินนอนยืนเดินกินพูดคิดเรมืนกันอันเดียวกันคนนี้สาคัญมากทำสักสูงคนนี้สิบปีสิบปีเราจะมาเข้าสมาธิกันนอน <c oughs> ใช่คจะมาที่มอต่อก็ไปเกิดคอมารคเนี่ยเขาลงมาเองมดนเวลาเขาลงมาเองกรดม า, นานนแล้วปัจะจุบัดิทาลายทาลายความหลงของตนแล้วของตนมันมีอยู่ที่ไหนหลวงพ่ อ, อมาเที่ยวมาเป็น้องเที่ย ล้มของเป็นชุกดความเป็นของสุขล้มของท well, ี <c ues essential burnout> ่ไม่ใช่ตัวตนมาเป็นตัวตนล้มของที่ไม่สวยไมงาม่าเป็นของสวยองน่ะเพรเห็นได้เพรเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตนตนเป็นสิ่งเหล่านั้นน่ะถ้าไม่สำคัญว่าตนเป็นสิ่งเหล่านั้นสิ่งนันไม่เป็นตนแล้วต้อึงถือจะมาจากตัวไหนนั่นนั่นนั่น ถ้าปูไม่มีในที่นั้นของปูจะมาจากเราตัวใดมันก็ถูกพุทธทาสพูดนา่าจะเป็นถ้าผู้อื่นไม่มีที่นั่นของผู้อื่นจะมีมาที่ไหนก็มีแต่สังขารและกองทุกข์กันเต็มโลกนั น, น, นั่ น, ะนข้อนี้แหละสังขารมากการดลมหายใจเข้าออกก็ดีเราไม่ใช่ลมลมไม่ใช่เราผู้รู้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ผู้รู้ลมก็เ็นเจะาของลมผู้รู้เป็นเจ้งงเางผู้รู้แต่ว่าต้องเหนียวถ้าไม่เหนียวมันก็เป็นว่าเชื่อขาด เขาะจะเหนียวเอาอันนั้นเป็นตัวประกันจับตัวประกั น, ก น, ไไ น, น, นแค่ก่อนทาไมได้คาหนังคาเขาเดี๋ยวไอ้แค่เขาไม่ใช่ว่าจะเอ า, เอาลงปองลงเข้าไปพระนิพพานด้วยทําไมถึงพิการาพิการาให้รู้จริงตามเปจริงลมเป็นแต่สาวกลมจิตเป็นแตสาวกจิตพุทรูปเป็นแตสาวกพุทรูไม่มีใครยึดถือใครมันเรียกว่างกันอยู่ในตัวเมื่อรู้เท่าเรามันวางกันอยู่ในตัวมันว่างอยู่ในตัวเมื่อมไม่รู้เท่าเรามันก็ไม่ว่า มาว่างก็ว่างจากพระเจากวกคนนั่นเองยอดโคตโทยอดธรรมโมยอดชังโผไปรวกันอยู่ที่นันยอดพระพุทธศาสนาเขาไปรวมกันอยู่ที่นั้นยอดสมถะแห่ภาวนาเขาไปรวนอยทัพอดภายในเขาปรวมกันอยู่ที่นั่นซับธาตุซับสีนิซับโสดปาซับจาคซับปัญญาทับไปรวมกันอยู่ที่นัน ทุกคำสงก็ต้องไปรวมกันอยู่ที่นั่นองคกรองัมรวมกันอยู่ที่นั่นด้านมิปัสสนาและย่านด้านสมถะกลเกือนกันอยู่ด้วยทั้งขีนทังสมาธิ ك, ทั้งบรรยากลมเกิ่นกันอยู่ที่นั่นด้วยนะ น, น, น, น, นั น, น้นขัยเขีนก็มาถูก่ั น, น, นยั น, ะนเสมาธิ ก, ก็มาถูกใช้ขันยนจะรรทคิกเกนกันอยู่ในคณะเดียวนั่นเองนชนเนื้อนังเอ็นกระดูกก็คงมเกืนกันอยู่ในคณะเดียวนั่นเอง ผมค้นและฝันก็คงเกินกันอยู่ในขณะเดียวเองมือในขณะเดียวเงังดินน้ำไฟลอนกันน้องเงียบกมกั น, นกเราพิจารณาชั้นนั้นหรมันเป็นอะไรนั่นหละคือยอดของเสียงยอดของสมาธิยอดของปัญญาที่คงเกินกันอยู่นั่น น, นันนันที่เถารื่อเอเกันกนะารนานอไรก็เปเราเป็นาปนสั นั you know, ่นแหละสีนิสสุทธินั่นแหละสมาธิวิสุทธินั่นแหละปัญญาวิสุทธิเอาละทีพากันเอารดมาใช่ไหมมาเดี๋ยวนี่เอารถมา เอาองดีมาเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายวันไหนเขาขับรถกบมันกันถ้าเราทำอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปชนกับวกเขาที่นันที่นีถ้าเขารู้ว่ารงหน้าเขาก็เลเขาเขาไม่ให้ชนเขาเขนะ้ามาไปละเนี่ยเป็นกานนทรา ท, าที้จะทํารรมเทียมนมันกันเคล็ด <c oughs> กรารเดียวเลยเวาถึงข่าวมานี้ย ถ้าหากว่าจิตของเขาถึงว่าพุทธธรรมประสงค์แน่เขาไปสุขติทธิถ้าจิตของเขายังไม่รู้ว่าอยู่เ้รับรองถ้าจิตของเขาถึงว่าพุทธรรมประสงค์อยู่อย่างทันจะออกแล้วเขาจะต้อไปสุขติทถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าถูกแล้วเขาถึงว่าพุทธธรรประสงค์เขาอธิษฐานจิตเขาหรือไม่ ลึกได้ไม่ได้ระเดี๋ยพอถึงซึ่งเขาคุณจะทำกระรงอยู่ทุกเมื่อเขาอธิษฐานจิตเขาไว้หรือไม่ถ้าเขาอธิษฐานจิตเขาไหวอย่างนั้นแล้วเขาอธิษฐานของเขาเขาตั้งสัตรูอย่างนั้นไหมถ้าเขาตั้งศัตรูอย่างนั้นเนี้ยเขาเกียตายเวลานั้นถึงแม้แต่เขาจะไม่ได้สติก็ตามเขาต้องไปอย่างกติกาเขาอธิษฐานอย่างอธิฐานพระนิรันดร์ระพันูเขาตั้งสัตรูอย่างนั้นถ้าเขาไม่ตั้งศัตรูอย่างนั้นก็ลำบากนั่น กับกับที่ที่ทำาดีพอดีโมเกี่ยวในช่วงนั้นนะว่าคิดของเขาถึงโลกุตตระแต่ก่อนยังไม่ตายเขาก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเขาคิดถึงพระสวดิบาลแล้วแต่เขายังไม่ตายก็าเ่เป็นปัญหานี่หมายความว่าคิดเขายังไม่ถึงพระสวัดบาแต่เขายังไม่ได้อธิษฐานสิทธิจะเขาอธิษฐานสิทเขาอะไม่รุนงไม่รุรงพดี เขทวนถวายบูชาาวพระพุทธธรรมประสงค์ทุกมาเพราะช่วพุทธธรมสงฆ์ทุกมาใวันเจาพนธ์ในวัชชาสงสารตามคมระสงค์ของตนทุกมาถึงถ้าเขาอดิษฐานระยงนั้นนะเขาจะตายเวลาไหนเต้องไปสุคติอย่าตถ้าเขาไม่ได้อดิษฐานม้ว่าบางท่านสุคติยังเรีมาันก็บางท่านก็ทันเนาะบางท่านก็ไม่ทันถ้าบางท่านที่ยอมปลูกฝังต่อพระพุทธธรรมประสงค์ไปแรมันก็ทันมันบรดาลทันมันทัน ถ้าบวางท่านไม่ได้ไ่พระพุทธธรรมประสงค์มันก็ไมทำเพราะอารมณ์ของมันไม่ค่อยได้ลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์มันก็ไม่ทผู้ทีิชานาญในพระพุทธธรรมประสงค์มันก้พิจิตรถัดแม้ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งก็ธรรมะข้อใด ถ า, าวอ่ะชายคนนึงจะถามพระปมาสาเวลาผมเข้าไปในเมืองเาเก็บเงนจพาในสี่แพร่งสามแพ่งสองแพ่ ง, พงระวังรถเข้ามาในทิศทางสีรถมากรถัวเขารถมากรถรัวเขา่วไ่ม า, าไม่ใช่วไม่ใช่โกแกงว่าเขาจะมาเหยียบเขาจะมาชนลืมภาวนาพุทโธไปซั เ่อตายในเวลานั้นจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยเออเธออยา่าสงสัยเธออยา่าสงสังยเพราะเคล็ใจของเธอถึงว่าพุทธธรรมพระสงฆแล้วพัดไม่ออก ข, ข้าข้าต้นไม้ที่มันเอนโนไปในทางทิศตะวันออกมากต้นตโตโต้ใครจะไปโค่นมันมันเคารพในทางที่ตะวันออกเองฉัในใดก็ดีคิดของเธอเอโนไปในพระพุทธธรรมธรรมสงฆ์มากแล้วไม่หวั่นไหวแล้วตายเวลาไหน เองขึ้นไดที่ดวงใจและเราก่อสร้างความเชื่อขึ้นได้ที่ดวงใจเหมือนกันนัแก้วสารพัดนึกก็คือดวงใจนั่นเองที่สร้างความเชื่อขึ้นที่ดวงใจก็คือกิเลสที่สร้างความดีขึ้นที่ดวงใจก็คือกิอจเป็นบุนถ้ากิเลสมันงอ ย, อยู่วนหัวใจมากนะมันก็ไม่ชวนไปทางดีเนอะ มันก็มีแต่ส่วไปทางส่วมันก็บอกใช่ฮมีคนนว้าฮั น, นกำลังมันหน้าเดิม อ, ม, อมันอยจพอพรชิถ้าเรามีพระพุทธธรมประงสงค์อยู่ในรวงกาของเราอันนั้นมันก็ไม่กล้าการหลงละเมิดแล้วไม่ทำตามอานาจอา่ำเลยใดวะเพราเรามีสินค้าที่เพราเรามีทิพ่์ เมื่อเรามีกองทัพไม่แตกเราไม่มีเราพูดเขาทำประสง์อยู่ที่ดวงใจที่กองทัพแตกง่ายกองทัพจิตกองทัพใจอะไรมาเตียงข้อแตจะแตกง่ายกองทัพไม่แน่กองทัพแน่คือกองทัพพูดทำประสงค์อยู่ที่ที่ดวงใจของมรับใชในพูดทำประสงค์ก็มยปัญญาด้วย น, น ก, กองทัพทําที่ดวงใจไม่แตกง่ายครับ ปฏิวัติชงมายังเพื่อคนทุกข์ไหมว่าต้าสงสารปัญหาไม่มากเนอะถ้าปฏิวัติเพื่อรอบเพื่อลดปัญหาไม่มากปฏิวัติเพื่ออเมทปัญหาไม่มากถ้าเราปฏิวัติเพื่อคนทุกข์ส่วนอเมทพลอยออกมนไหลมาเองมันตามสติกำลังมันถ้าเราไปปาถนาเอาอเพลอยออกมันเตลือเปิดเปิงนี้ซ้มันไม่มาเลยก็ยิ่งหาก็ยิ่งแห เห่ี่เอาความหนีว่า้าพาอิสานว่าตัวนี้มันแห่มันไม่เข้าคอกเข้าว่ายังไเรียกว่าเปรีกคอกยิ่งเสื้อหาเขายิ่งมันก็ยิ่งเปรีกหนีเรยกว่าแห่ไม่ใช่แห่ที่เขาทอดปลานะสงสียแม่รู้เอ็นหวยนี่นะถ้าไมอธิบายฟังพวกเราเขาไปอยู่นั่นพอออกกลางถนเขาพุดไทยซัก จะเข้าไปบ้านเขาเขาจะพูดลาวแท้เขมาเจอพวกนี้เขาพูดไทยแท้เขมารู้ภาษาเขาเลยคนอยู่ในกรุงเทพมันเกือบครึ่งหนึ่งเลยคนภาคอีสานขอเงิน่ด้วยฮะขอขอฟ้าเกือบจะหมดเลยถ้าฝากไอ้ที่แท้มันไทยเขาลาวมันก็มาด้วยกันกับปีทวเนี่ พวกไทยลาวจีน อ, นอยู่เสมนปะ ป, ะปนกันอยู่ภาคอีสานนาปะปนกันอยู่เอเชียนี่มากเลยเนือ้อก็ไม่น่าจะรบกันพวกเราก็พี่น้องกันถ้าตาแล้วเปิดท้าดูว่ายโนกลาวก็ไทยก็จีนใช่าย่แล้วพูดกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ไปจนถึงยี่สิบไปถึงยี่สิบมันแต่พวกนี่เรียกว่าซาวท่านั่น<ม>ไอพวกนี้ว่ายี่สิบแต่ว่าพิทแต่สมเนียงท่านหนึ่งสองสามก็ถูกกันอยู่แล้วไปไปมาๆก็ถูกกันอยู่แล้วเข้ามาไปก็ถูกกันเข้ามามาก็ถูกกันพิดแต่สมเนียงท่านเข้ามาใตพวกไทยใหม่ผู้นั้นรู้เรื่องเนอะผู้คนไม่รู้เรื่อ ง, องพวกไทยใหม่ไทยใหม่น้ําเค็ม ทำไมน้ื่อเขาพูดไม่รู้เรื่ององีกเมันกันเขาเขามาพูดกันเขาเขาพูดไม่รู้เรื่อ ง, อ, ง <c oughs> อีกพระท่านมาตอเขาท่านมาเมื่อไหร่ว่ท่านแคบไปไหนแล้วอ่าท่านจะด่วนไปไหนนี่มันพอท่าน่านี่มพอท่นานจำาษาพระเยืยนบาตพระเยืยนบาตพระยืยนเวีนสบาต ไปเลยนะนะีไปเลยไปทะเลไปรัฐไปตลาดสั่งหมดสั่งชั่มดอย่ามูอย่ามูใบฝรั่งต้นฝรั่ง ือ ล, ลูกฝรั่งภาคอีสานเดียกวมาซีดานสมมติเฉยๆถ้าอาจารย์มาเป็นทานเทศเออมันสมมติเฉยๆหรอกล่ะเออสมมติพอรูกกันเอาละถ้าถุถ้าฮายกีนมาพูดภาษาไทยก็ม่ชัดอยางนั้นกันถ้าฮ า, ายกีนมาเป็นนามาเป็นนาดเนห้องนา ขอเป็นหน้าอุนลุมปรตุมังผ่านเทอ้องล่องอ้องล่องปรตุมังพังตะยาอุ้นลุมอ้องล่องอุ้นลุมอ้องล่องนัง่นภาษาพอได้พอเอาเท่านั้นแนะ่ะแต่ความหมายมันเข้าใจกันอยู่แต่มันพูดไม่เป็นอุ้นลุม่องร่อง มัเอตัวงอสะกดท่านอย่างนี้ก็เกณฑ์มาคุยกท่าน้งทั้งๆั้งทั้งทงทั้ ง, ง, ง, งจะไปไนะครับรดอย่างนี้ก็ลก็อกผมอย่างนี้ก็ผงผงผงผงผงผงผงผงจะเสื้อตัวมาให้ท่านเน่ะหน้าฟังเนาะถ้ถถถถถถถาเขาพูดกัน กับเขาเราไม่รู้อีนอยใหเลยเนี่ยท <Yeah. S 2> <c oughs> ดสอบกันวันกันเขาพูดกับเขาเราไม่รู้เรื่องอะไไม่รู้เรื่องอะไร <c oughs> สมมุติสมมตุมมติจะมีกี่ร่างก็อยู่ใต้อำ น, นาจอันนตจายถูกขึ้นเล้วแต่คนแล้วแต่อะไรสมมุติก็คือสมมุติอะไรบ้างาะสมมติในท่าตุดินน้าไฟลมเหานี้เอง เสื้อผผ่อนท่อนสบายเราสมมติออกมาเขาอันนี้ก็มาจากธาตุธา ด, ดินเขาเป็นเขาแข็งอยู่สิ่ที่เรียวก็มาจากผัตุน้ําสิ่งที่พัดไปมาก็มาจากธาตุลงเนีนน้ําไฟลงมเองเป็นสมบัติของสัต์ทั้งหลายที่แย่งกันอยู่นี่ทําออกมาจากเรีนาน้ำไฟลมนี่เจล ก, ก็แตกสลายลงเป็นดินไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเันเช่นคุณที่งิานอย่างนี้ก็แตกสลายลงไปสิ่งที่แข็งก็ไปแตกสลายลงไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมสิงที่เรียบสิ่งที่พัดไปมาก็เหมือนกัน ทั้งหลายก็มาแยกกันในาธาตุทั้งสีนเองซุปทุกมาจากไหยก็ไม่อากจากจากาธาตุทั้งสีที่สมประสงค์จากาธาตุทั้งสีที่ม่สมประสงค์คําว่าสมประสงไม่ไม่สมประสงคสสงสสง์ใครเป็นผู้ไปรับสมประสงไมาสมประสงค์ก็คือกิเลสเพรา น, น, นี่พาไม่รับมาในปัดกับใคร ไม่มีใครไปสั้งคั้งคำนักถามจะทั้งอำไม่ถึงทั้กันได้กัแต่โรคแค่นี้แหละาะความิงแล้วเรไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นไม่ปัดถ้ามัเห็นมันเจอมันเจอมันพบมันปัดทหารก็ม่มีประตูจะเบิดอะไรโรคไม่เห็นลทหารที่มเปิดหะไรโรคไม่เหนเลยแต่พวกเราถือว่ามันมีเมื่อถือมันมีมันก็ติดอยู่นี่ทหารบอกว่าไม่มี ซุกขอาก็ุเกิดแจความม่ทราบซุกเกิดแกรทราบันทีพวกซุกเกิดแจ่ทางานที่ปราศจากคนซุกเกิดแจ่ความไม่นี้เป็นสิยงุขของเรือถึงอย่างนั้นก็อยู่้อานาจอังจักินางประนแบบันะถ้าพรหารมองเห็นเราเป็นซุกถ้าพนงานพระทหานก็นีจะกลกไม่ได้ก็ไม่เบื่อนายความล้ของตนก่อนที่จะเบื่อหนายความล้มของตนก็าฟ้าว่าเห็นความซุกในโลกนี้จึงเื่อหนความล้มของตนที่เคยลงมาจึงเข้าสู่พระนิพานสายเสีย เม asthma, alnya, ื่อไม่นายคนร่วม้องตนขาชนะหมดชนะที่เด็ของตนหมดเพราะปัญญากล้าปัญญาถ้าเขาต้องเมืองนายคนร่วมของตนที่เคยลงมากิเล็ก็เงหัวไม่ได้เอาละทีนี้ปก่อนฟ้วตัวห่งวนตัวนงวันตัวหนึ่งวัน วก ร, รมากคคนจนเหคนพแค่นี้ยเออวันเดียวอันเียแล้วให้เขาจับที่พักให้าหรือยังเยะ้พาไปนะ พ, พาไปจัดที่พักให้เนะพวพิบาพวกาสาม ที่หนังสื อ, อได้แล้วหรื อ, อยังเอาไหมหนังสือนะหนังสือได้แล้วหรือยังหนังสือเอาเอาไหมคือได้ไปแล้วไปถวายธนอาจารย์สงพุทธ่อยู่วัดป่าที่ผมทำท้อยแสรแล้วท่านอยาก อ, าอ่านนั่นก็เลยถวายไปงั้นนึกในใจว่ายังไงวันหนึ่งต้องได้คืแล้วไม่จะได้คืนที่ท่นได้คืนจากหลวงปู่เออเอามาให้ใช่ฮะไปหลวงปู <c oughs> <c oughs> ่ฮะคนนี้ไงฮะที่ที่ หาไมอแนบอกว่าได้กลับเรียนทำหลวงปู่เปล่าว่าดอกบวที่คนพวกเราที่เป็นดอกบัวที่พ้นน้าแล้วนะพ้นน้นกี่สวนอยู่ในน <oda> ้ำกี่สวนเนี่ยพวกนี้คือตอนนั้นเรสร้างจีดลงไปเลยนะคะแล้วหลวงปู่ก็บอกว่านี้เราม่าแพวกเนี้ยเป็นพวกที่เป็นบัวที่พ้นน้าแล้วนี่เขาไม่ได้มาด้วยเขบอกไม่กลับเรียนทำหลู่พ้นน้กี่สวนนี่ยบอกว่าพนน้าแล้วก็สุภาพบุรุสิ ชาวบานก็อรหันต์ใช่ก็เอ็นเลยเมืกอกาเปียโนปูอีกครั้งเลยบอกว่าเปียนที่หลวแสงธารว่าพ่นน้าไม่แต่ดาปี่เลยแล้วลูกปูบอกถึงจะยังไงก็เข้าทางแล้วถูกอยู่ในเกณฑ์อยูเกณฑ์ชาบานไม่ได้เกณฑ์ชาวบ้านปูดาแล้วดาแล้วดำปี่เลยก็แปลว่าแค่แหวงจะเป็นแ้่ต้นก็ได้แล้วก็ไปจบชีวิตก็ไป้องไป็นองคนสองกระดูกไม่ไม่ถูกถูก ูก็จะปั่นโนเตมปูรู้ที่ปั่นโนเต็มปูถูก เ, เลยรู้กจะปั่นโ น, นเป็นปพอมใันมันต้องเอสง า, านาตอนขนอนั่นเมาองทอย่าไรแล้วก็วันนั้นเสบาทมาจากวัตถุที่ทตรงชพยายามให้เข้ากลางเอไว้มแม้ว่าจะลักิกไปยังไงก็ยางตันแล้วใชก็พยายามอยู่เวลานี้ถึงจุดนั้นแล้วมูกไหมะว่าสร้างเห็นควา น, นแล้วถูก ถือดอกไม้อยู่ในมือแล้วเดินน้าไม่เดี๋ยวหลังน่ะถูถูถูอไรย่างเงีถูถูถูถูนันหละดวงตาเห็นทําอย่างนันแหะเห็นนามปัญญาไม่ใช่แค่ตาทั้งนอกเห็นดวงตาเห็นทําก็คือคือปัญญาเองคือปัญญาเองเห็นธรรปัญญาจักรสุจักรสุคือปัญญาสัมมัชฌะจักรสุจักรสุรอบข้อก็คือดวงปัญญาหมด หมดความลังเลยสงสัยมั่นคงถูกที่มันไม่หมดความสงสัยมันก็เพราะมันสงสัยว่าพระพุทธศาสนาเนี่ไม่เก่งเท่าศาสนาอื่นๆมันก็เกิดสงสัยเท่านั้นถ้ากว่ามันเนื้ว่าเข้าใจว่าศาสนาอื่นๆมันกสงสัยของมันก็มีนะถูกไหมถ้ามันเข้าใจว่าที่พื้นของมันกเสกษมแล้วน่ะมันก็พอใจอยู่ที่เพื้นเท่านั้นเน่ยถ้ามันยังที่อื่นจะดีกว่านี่อยู่มันก็ตกไปถูกไหม นั่อมาก้นใจคือว่าแข็งถ้าทามันเหนียวอยู่อย่างนี้นะที่นี่หละที่เหนียวของเราถขาว่ามันว่าเออนั่นดีกว่านี้มันก็วางไปเพรามันสงสัยนะคิดี้คิดช้ามันสงสัยมันไม่สงสัยนะถ้าทำมาสองแมลมันสบายใจมันจะบัดง่าย ผู้ที่ทำาม่ดีก็จะเอามาขีดขวางชีก็เป็นเรื่องของเขาพุทธธรรมส่งมาเนี่ยดีกับไม่ได้เป็นไปก็ผลธรรสอนของบุรุษมัสกาสนาเมื่อเวลาคนทําชั่วก็ไม่ใช่ไปชั่วด้วยนะ <c oughs> ถูกไหมเราจะไปหาเรื่องใส่คนเมือม่อเมื่อคนทําดีนะพุทธศาสนน า, ศาเราจะไป จะไปหาเรื่ออับสาคนนะลุยเราจรึงใจยินดีนะพุทธศาสนาเราเข้าใจว่าเราเห็นธรรมมันก็หม่เห็นธรรมมดโลกแล้วไมม่มีใครปฏิบัติปฏิบัตินคนเดียวไม่มีใครกราบแล้วก็จะกราบคนเดียวไม่มีใครนึกถึงพุทธโธเราก็ น, นึกถึงคนเดียวหมดไทยรกาก็ธาตุเรานึกถึงอย่างนั้นมันก็หมดเรื่องัเพราะเราเชื่อแล้ว่าเราพิจารณาไปทุกคนทุกแห่งแล้วคําสอนแต่ละวัตรบ า, ใใ ต, า, ราตรในไทยโกธาตุไมคเาคสอนพุทธศาสนาพระพุทธศาสนารวมมดแล้ว ทำใหโรคกรบาลคุ้มครองเราสองอย่างความร้ายตบาบความกลัวตบาดเท่านั้นคุ้มครองโรคได้ถ้าไม่มีอยาร้าตวาดความกลัวตวาบแล้วต้นไม้ยกนหมู่ก็ทักค้นทวก็ตั้งมาอยู่ท้องทำไม่นำทำหนึ่งก็มดที่พึ่งอาศัยนคนช่วยให้ที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในทีครับหนักพุทธศาสนากอดเอามาหมดแล้วกอเอามาหมดแล้วกอดเอาต้นไม้มาหมดแล้วเนี่ยนั่นน่ะยอดต้นม้น่ะยอดต้ทาน่ะทาแล้วผล้องตามก็ไยอดต้นทำเหมือนกันหนักทาแล้วผลของกํา ผู้ใดทำดีทําชั่วมันไม่จบกระเสียนเหมือนคดีดําคดีแดงเลยหกคดีดําคดีแดงนโะโรกคดีมันคดีเก่ามันจบกระเสียนแล้วคดีหมดอายุกรรมและผลของกรรมไม่หมดอายุส่งต่อจนถึงข้าพนิพานนั่นนั่นนั่นั่นนั่ น, น, น, น, นทำดีก็ส่งต่อข้าพนิพานทําชั่วเขตามไปถึงพนิพานแต่ส่วนที่จะมีกิเลหรือไม่มีมันต้องอยู่กันที่พนิพานส่วนทระโมคคลลาเข้าไปฆ่าท่าน มันก็ไปฆ่าถือผูกกางเกงท่านกังเกงของท่านขาดแล้วท่านทิ้งแล้วนะแต่ตัวของท่านไม่ผูกักท่านจิตของท่านต้นจากเกเรแล้วแต่พวกที่ยังไม่มีพวกที่มีจกเตอยู่มันตามไปถึงมันก็ได้ทางหนังทางเขาด้วย <c oughs> ต้องลองว่าแสนเิลาฉันรู้ว่านายคุณทกษกมันวุ่นแล้ ว, วก็ทักษเชพเนยกเป็นมกุชินาราลงพรโลหติตคำว่ า, าลงพรโลหิตก็คือไอเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือด กรรมบุพกรรมขององค์ท่านที่เคยวางยาเขาปิดคนไข้ตายไม่ไม่เจตนาแต่มันไม่ถึงพระบรมศาตสตราเพราะพระบรมศาสนาพ่นจากขั้นห้าไปแล้วก็ไปตามไปถึงก็ไปถึงจากขั้นห้าท่านท่านพ่นออกจากขั้นห้าไปแล้วเนี่ยก็เป็นเอาพฤติกรรมแล้วไปพักไปพักที่ไนต้องูกแล้วกลคืมนมีลมปลูกอะ แรงโดดแนไม่กลางคืนไมานนภาวนาเอาแหมดีแมุ่ราก็ก็ตอนคืนต้องขึ้นมาโมง่ายระามู่ก่อนโอย่าเพิ่งมาไปอาหน้าซะก่อนคืนก็คืนมาวันนี้ไม้เห็นดูวันนี้ค่ะโอ้วันนี้สี่ข่วันห้าข่มันเป็นตรงนี้ตนี้หรอกจะได้หมดยอดได้หมดฮะเขาเป็นใจวันสองือใช่มสองถือรือ่ เกิดมาอี ก, กล้านชาตกกิก็ตามจะไม่นีจจากพระพุทธธรรมประสงค์เท่านั้นเท่านี้จะฝังลงในพระพุทธธรรมประสงค์ให้มันลึกแผ่นดินนทะ้องแสมชีหมืน่นยอดเขาเอารุกระเบิดปนมาอุทกทำลายเศษยิ่ใจถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วใครจะมาทาก็ไม่เพดจะเกิดอี ก, กล้านก็าตามเราจะไม่นิจจากพระพุทธธรรมประสงค์ เราจะจปฏิบัติเพื่อความทุกข์นว่ตาตองศาลแต่ปัจจุบันเราก็ต้องการความทุกในปัจจุบันในชาติแต่เมื่อมันไม่พ้นจะเก Cry ิดอีกก็ล่าเราประยอมถ้าเราถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วนั่นไม่เสียดายเข้าใจไหมทีนี้ถรานั้นเกิดอีกถ้า yeah, นั้นชาติจึงจะพ้นถ้านี่เกิดอีกถ้านี่ชาติจึงจะพ้นก็ไม่ว่าจะท่านั้นชาติถ้านี่ชาตจะเกิดอีกก็ล่านมากกว่าไม่หินไม่ใชายในท่อมหาสมุทรก็จะไม่หนีจากพระพุทธธรรมประสงค์ พูดอย่างนั้นมันเป็นสบายถูกไหมพุทโธไม่พามาตายพุทโธไม่พามาโรคพุทโธไม่พามาโกรธพุทโธไม่พามาหลงพุทโธไม่ให้ยินดีในโลกทางปวงพุทโธให้ยินดีในพระนิพพานนะพุทโธสอนให้เห็นใจในว่าาระสงสารทำโมเขารงไม่ขึ้นทำพุทโธอยู่ที่ดวงใจพุทโธสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำโมทรงไว้ที่ดวงใจ ทังโคแปลว่าปฏิบัติที่ดวงใจก็ตกลงพุโทโธธรรมโมก็อยู่ที่แห่งเดียวกันคือที่ใหญ่ของเราพุโทโธเป็นอนัตตาคุณที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นมหาอนันตาคุณที่ไม่เกิดไม่ดับคุณธรรมโมทั้งโคก็อยู่ในที่นั้นด้วยเรารละลึลกถึงพุทโธโธและอย่างย่อธัมโมทั้งโคก็อยู่ในที่นั้นด้วยคล้ายๆกับเราเห็นหน้ากันก็เห็นกาเห็นธรรมโกั น, กนแต่เราไม่พูด แล้วพูดเพียงว่าพุทโธคําเดียวก็สัทำโมทั้งโกก็อยู่ในทีนั้นเราจะต้องการว่าทั้งสามคำก็ได้เราจะต้องว่าคําเดียวก็ได้ก็โยงถึงกันหมดพุทโธคําเดียวยงถึงแปดหนึ่งสี่พระธรรมขันธ์มันขึ้นอยู่กับปัญญาของเราดอกปัญญาของผู้มีน้อยเขน้อมไปน้อยผู้มีมากเ ข, ข, ขากระจายไปเลยแต่ย้ลงมาถึงเอกาพุทโธก็คุณหาประมาณไม่ได้ทำโมทั้งโกก็อันเดียวั เราจํานังสกุลน่ะสกุลกระดูกเหมือนกันแต่ว่าเราจับหนังเหนไหนก็ดีเราว่าพุทโธก็มีธรรมโอสังโฆโกลมกลืนกันอยู่ในเทียนั้นด้วยเพราะเราว่า อ, า อ, อักษรย่อเรานึก อ, อ, อักษรย่อไอ้ตัวแค 80, ่ประกอบครบแปดหนึ่งคือพระธรรมคันเลยพุอโธคําเดียวธรรมโมคำเดียวก็ครบแปดหนึ่งคือพระธรรมคันสังโฆคำเดียวก็ครบแปดหนึ่งคือพระธรรมคันมันขึ้นอยู่กับเราคขยายเป็ น, นงานขยายเป็นหน อ, อะอมื่อทาบุญบ่อยใจก็สูงขึ้นบ่อย ผูท้ทำบาป บ, บ่อยก็ยใจก็ทํำลงน่อยขณะให้ประเทศไทยจึงมีโอเข้าวโอูนาบอยร์ดูนไปซื้อที่ถนนเช่นไหนก็ได้ที่ตรอกใดซอยใดหนึ่งใดก็ได้ประเทศญี่ปุ่นก็ฮอกเกียวกันประเทศอื่นก็อุตส่าห์จะป้ายก่เพราะพระพ พ, พุทธาศาสนาเด่นอยู่ในประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีชานวัดศีลวัดภาวนาวัดในพระพุทธาศาสนา เนี่ยฉะนั้นจึงอูข้าว อ, อูน้ำจึงมีอยู่เขาเจะเหนือเราไปก็เหนือแต่เครื่องรบราข้าวฟันกันส่วนเครื่องอยู่เครื่องกินไม่เท่าเราถูกไหมนั่นเขาเหนือเราก็เหนือแต่เครื่องรบราข้าวฟันก็เครื่องเครื่องรบราข้าวฟันคืออะไรก็คือเครื่องผูเวนเสียงฟืนคือเสียงอะไรก็คือคือเสียงตายเสียงเวนใช่ไหมนั่นช่วยพวกเขาไม่ได้หรอก ผู้ที่เขาไม่คิดว่าไม่บนไม่บาปเขาไปได้แค่ไหนเอ้านั่นแตกนั้นก็เจอแล้วถูกไหมนั่นผู้ที่เขาซือศาสตร์ตะเอื่นใช่ไหมอะไรเขาก็บอกถ้าพู้เป็นเจ้าเขาสร้างพวกเราก็บอกว่าผู้เป็นเจ้าเพราะบรมศาสดามาสอนพราผู้เป็นเจ้าใจของเราสร้างขึ้นนั่นสอนอย่างนั้นพ้าผู้ที่ศาสตระถ้าผู้เป็นเจ้าใจของเธอทั้งหลายสร้างความดีนั่นเราเป็นเจ้าบอกที่ให้เธอท่งหลายฟัง เียนอนก็ต้องนอนเองเฮียนํานกระดึนเองเราเป็นเพียงที่บอกให้เธอสงสารผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ได้เห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นก็ไม่เห็นเราจะมาจับชายคีวอนเราก็ไม่เห็นก็บรุมาจับเวาผู้อย่างนั้นนอนก็ไม่ส่ลูกผวาเพราะมันมีเรียรอบค้าพราะพุทธศาสากกศนสถ า, า, า, านต้กดเอาไว้เนอะปานาทิบชากดแล้วอธินาธรรมจบแล้วตามมเอกสารฆราฆ่าว่ามุส ดื่มสุราวิชาปลดอาวุธพระพุทธศาสนาทําคนให้เป็นมันใช่ไหมพวกพระเนรเหล่านี้เนี่ยให้มันออกกระชากโลกดูสิลูกของมันเอ๋ยเมียของมันเอ๋ยที่ดินของมันเอ๋ยถ้าเนรอยู่ในประเทศไทยของเรามาต่ำกว่าสี่แสนห้าแสนเนอคนสี่แสนห้าแสนออกไปดูหรูนี่เมียของมันเอ๋ยลูกของมันเอ๋ย ที่ปลูกเดนของมันเอ๋ยไรนาของมันเอ๋ยพวกผาเน ين, ี่ยพนักขามีทีสม้อนกันนี่ไม่มีแผ่นดินอยู่เรียกว่าสาสาพุทธ้มันอยู่แล้วพวกแม่ค้าราบทดนี่พวกม่ชีเขาก็มารักษาเิ้นห้าเส้นแปดพวกที่เขาซื้อเส้นนี่ พวกคารวาทัวที่เขาซื้อเสียถึงวันพระพเพราะก็ไม่สมเสียงกันใช่ไหมนั่นมันทำคนเป็นหมันอยู่ในตัวแล้วเป็นหมันทำหมันในตัวแล้วประเทศเ อ, อื่นๆเขาไม่มีพระพุทธศาสนาเราสร้างงานออกมาหาที่อยู่ที่กินไม่มีถูกไหม ประเทศของเรามีข อ, อบเขตอยู่ว่าถึงจะราช่าก็ต้องมีข อ, อบเขตอยูอ่ว่าประเทศอุรุเพคอนา์ประเทศทเอื่นทัก็คือประเทศไทยนี่เองประเทศนั้นสมควรเข้ามาขาในอีกคือประเทศที่ประเทศใจของเราที่มีพระพูทธธรรมประสงค์นะประเทศข้ายนอกของเราเขามีพระพูทธธรรมประสงค์เหมือนกันนะประเทศทีดุขเ ข, เ, เขาครบขรา้ า, ข า, ขาขงนอกประเทศี่ดุข้ า, ขาขงในเราก็ครบคือย้นลงมา ah ห้าใจนะถูกไหมนะ เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นทุกรอบหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นอนิจจังรอบหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วไม่ต้องสงสัยในโลกทั้งปวงน้ำข้าวโลกโลกคือทั้งหารทราโลกโลกคือหมงสับโลชานโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่